ถ้าเราจะศึกษาประวัติในการที่การถึงสระาเนี่ยในพระไตรปิฎกก็จะพบว่าการประกาศถึงไตรสระนาคมนั่นเองปรากฏตั้งแต่เรื่องแรกข้อแรกในคมภีร์ของพระไตรปิฎกก็คือในเวรัญชกันในพระวินัยปิฎกเวรัญชกันเริ่มเรื่องว่าเวรัญยพราหม์เนี่ยได้ยินการสรรเสริญของพระเจ้า ที่เเอามาสวดทําวัดสวดมนต์กันเนี่ยจะมีวคำว่ า, วาตังโขปะนะพัวันตังโคตมังเอวังกัลยาโนโออะุคตโตนี่กิติสัตว์อะุคตโตเนี่ยกิติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้อิติปิโสพักวามแม้พ่อเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลส สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตัสรุปชอบได้โดยพระ อ, องค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมได้วิชา8จารณะสิสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีใช่ไหมโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตรโรปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถปลึกบุรุษที่สมควรปลึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาัทธาเทวมนุษสานัง เป็นครูหรือเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้แล้วจะมีคำว่าโสอีมังโ ล, โลกังสเทวกังสมารกังสพรามังกังศาสามะนพรหมนิงประชังสเดวมนุษสังสยังอภิญญาสัจจิกตวาปเวเทสิก พระโคตมะนั้นได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยตนเองด้วยปัญญาญยิ่งเองแล้วคือพระพเจ้าเนี่ยทำญาณปัญญาให้เกิดขึ้นประชุมอรหัตมรักอรหัตผลให้เกิดขึ้นได้ในกระแสขัน ข, ของตนเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามาพรพลและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหม์ทั้งเทวดามนุษย์ให้ตัสรุปตามโยธรร ม, มังเทเสสิพระองค์ทรงสแสดงธรรมแล้ว มาที่กลยานางไพเราะในเบื้องต้นอะไรเป็นความงามในเบื้องต้นที่พระองค์ทรงสแสดงศีล ส, สมถะวิปัสนาเป็นความงามในเบื้องต้นมัดเชกลยานางไพเราะในท่ามกลางอริยมัชมีองค์8อริยผลที่เป็นตัวตับกิเลสเนี่ยมีความไพเราะในทถ้ำกลางปริโยสานะกลยานางอะไรไพเราะในที่สุด พรนิพพานเป็นความงามเป็นความไพเราะนิที่สุดด้วยสัตว์ทั้งสัพยัญชนะเกวรัปริปุนังบริสุทธิ์ทางพรหมจริยังประกาเศเสสิพระเจ้า ท, ทรงประกาศพรหมจรรย์ก็คือศีลสมาธิปัญญาอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยพระ อ, องค์ก็จะแสดงที่มีทั้งอัถฐเนื้อความเนี่ยชัดพยัญชนะก็บริบูรณ์ทุกไม่มีบิดไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีบกพร่องเนี่ย เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วเวรัญจะพามเนเขาเข้าไปฟ้องพระเจ้าเวรัญจะพรมนี่นะที่เรามาสวดกันเน่ยพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าเนี่ยเวรัญจะพามก็ไปฝ้างพระเจ้าแล้วก็กล่าวคำติเตียนพระเจ้านานประการเนี่ยไปติเตียนพระเจ้าว่าเป็นทรงเป็นนิพโพโคนิพโพโคก็คือผู้ไร้สมบัติไม่มีสมบัติ ที่แรกไม่ได้สถานนะเป็นอกิริยะวาโทผู้กล่าวการไม่ทําการจะทําที่มันไม่มีผลนะวังน้เธอเป็นอุดเฉทวาโทผู้กล่าวการว่าขาดศูนย์เป็นอภคพโพผู้ไม่ผดไม่เกิด พระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธคํากล่าวเหล่านั้นแต่ทรงแสดงความหมายของคําเหล่านั้นใหม่ในลักษณะที่แสดงคุณสมบัติประเสริฐของพระพุทธเจ้าเช่นถูกแล้วพระเจ้าบอกว่าถูกแล้วที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ยทรงกล่าวการไม่ทําเพราะทรงกล่าวสอนการไม่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต และไม่ให้ใหกระทำบาปวัตถุกรรมมันชั่วร้ายบาปอันลามวกพระองค์ไม่ทำแล้วจังนั้นที่เธอว่าพระตถาคตเนี่ยว่าถูกแต่เจตนางเธอผิด <c oughs> คำพูดเนี่ยถูกเข้าใจใช่ไหมพยัญชนะถูกอัฏฐะเจตจำนงของเธอเนี่ยผิด <c oughs> จริงไหมจริงแล้วก็บอกว่าถูกแล้วที่กล่าวว่าพพุทธเจ้าเนี่ยไม่ผุดไม่เกิด <c oughs> เพราะ ตรงละการเกิดในภพแล้วพุทธเจ้าไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกแล้วไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกไม่เกิดเป็นมนุษย์เทวดาพรหมอีกแล้วถูกหรือไม่ถูกฉะนั้นธรรมดานิ่งไม่ผุดไม่เกิด <c oughs> <c oughs> โกรธนะไม่จริงหรอกแล้วผุดเกิดอยู่ไม่โกนเลย อาถรรมีกระดาแล้วขออยาได้ผดได้เกิดเนี่ยขอจงเป็นเช่นนั้นใช่ไหมต่อจากนั้นก็ตรัสถึงธรรมที่ทรงแสดงและบรรลุตามลำดับในส่วนของศีลสมาธิปัญญาจนถึงการตัดสรู้ดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงตัดอริยสัจเลยเวรันจะพามผูฟังปุ๊บเลื่อมใสเลยทียนี้พอเรื่อมใสว่าท่านพระโคตมะเป็นผู้เจริญที่สุด ท่านพระโคตมะประเสริฐที่สุดภาษิตของพระ อ, องค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระ อ, องค์ไพเราะยิ่งนักพระ อ, องค์ทรงประกาศพระธรรมโดยอันเดกปริยาอย่างนี้เปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีจักษุเห็นรูปได้ดังนี้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยที่มีเหตุมาจากปัญญานี่แหละ เห็นไหมพอฟังปุ๊บนอกจากเชื่อมั่นเลื่อมใสไม่พอได้ปัญญาด้วยก็เลยกล่าวเห็นพุทธคุณตั้งกล่าวเวลัญจะพามจึงประกาศไตรสรารณคมเลยทเนี้ยประกาศว่าเอสาหังพักขวันตังโคตะมังสารนังกชามิทามันจากพิกขูสังขันจ่าอุปาสิกังมังพวังโคตโมทาเรตุอาชาตะเกปานุเปตังสารนังกตัง บอกว่าข้าพระเจ้าขอถึงพระโคตมะผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอท่านพระโคตมะผู้เจริญปโปรดทรงจํำข้าพระเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตี <c oughs> ่ประกาศหรือพวกเราประกาศนี่ยังเราฟังธรรมแล้วประกาศขอถึงความเป็นอุบาสิกาตลอดชีวิตไหมถึงเป็นวาสกตลอดชีวิตไหมตลอดชีวิตหรือเปล่าตลอดชีวิตแปลว่าอะไร จนกว่าลมหายใจจะขาดพอลมหายใจขาดแล้วหมดไม่สารณะเราขาดไหมขาดไม่ขาดขาดไม่เหลือก็เรามันยังไม่ได้เข้าถึงโลกุตระสารณะคมนี่โลกียาสาารณะคมเนี่ยสารณะจะขาดตอนลมหายใจขาดนี่คืออันตรายของบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังทำลายกิเลสไม่ได้ขาดทันทีเมื่อลมหายใจปุ๊บขาด สารณะท่านทั้งหลายอย่าขาดทันดีนะนั้นตอนนี้รักษาไว้โอกาสที่จะเข้าถึงสารณะที่เป็นโลกยะสารณะคมเราเหลือ น, น้อยทุกโลกทุกวันทุกวันแล้วเสียวไหมเล่าหน้าว่าเสียวเนี่ยเนี่ยโอกาสจะถึงสารณะนะเอสาหังพักวันตังโคตะมังสารนังคาฉามิอะลองว่ากันหน่อยดูนะี เอสาหังพักขวันตังโคตะมังธารนังขฉามิธรรมันจ่าพิกุสังคัญจะาอุปาสิกังมังพัมังพวังโคตมโมทาเรตุอัจฉรตะเคปานุเปตัง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 เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตตั้งใจแล้วนะเอาลมหายใจเป็นที่สุดรอบเนะขอถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกว่ามีอะไรเป็นที่สุดรอบเอาลมหายใจเป็นที่สุดรอบเนะืะ อัจฉติเเคปานุเปตังสารานังครับบอกว่าข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะขอถึงพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ <c oughs> จนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมี อ, อวัยวะเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกระแสชีวิตเป็นที่สุดรอบ จนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบก้าไหมก้าก้าอธิษฐานแบบนี้ไหมตราบใดยังมีพบ อ, อยู่ก็จะขอถึงสารณะนี่แหละเป็นที่สุดรอบกล้ไหมนี่นี่นี่นี่เลยเลยชีวิตแล้วนะถ้าตราบใดยังมีอัตภาพอยู่ยังมีอัตภาพอยู่ตราบใดก็จะฝังไว้กับพระรัตนตรายนี่แหละเป็นที่สุดรอบยังมีชีวิตอยู่ตราบใดนะ จนกว่าจะมีชีวิตเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีพบเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีอัตภาพเป็นที่สุดรอบจนกว่าจะมีกายเป็นที่สุดรอบกล้าอาธิษฐานอย่างนี้ไหมถ้ากล้าอย่างนี้โอ้โหนี่เลยเลยเลยเลยล้มหายใจไปเลยทีนี้ถ้ามีพบอยู่ตราบใดก็ขอเนี่ยฝังแน่นไว้กับพระรัตนตรัยนี่แหละก็จยตั้งอธิษฐานไว้งนันไตรสรณคมเนี่ยนะ เอตังมายังพันเตภักขวันตังสารนังะชามิทำมมันจะอุปาสเ ก, กโนภักขวาทาเรตุอชาตะเกปานุเปตังสารนังกแต่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมเป็นสารณะนะพระสงฆ์นะขอพระพุทธเจ้าโปรดทรงจำข้าพระเจ้าว่าเป็นอุบาสกถึงสารณ ะ, ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดชีวิตเพื่อจะโปรสาพริกาเนี่ คนที่ถึงสถาณะสองเป็นคนแรกคือตปุสาและพรลิกะจำได้ใช่ไหมในพุทธประวัติจาได้ไหมไม่ใช่ตปุ ษ, ษาพรลิกาเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสวิติดุสสขไสัปดาห์ที่เจ็ดใช่ไหข้าวสตุก้อนหรือสตุผงตปุสาพรลิกาที่บอกว่า ทางพม่า ก, ก็ยืนยันว่าเป็นชาวพมา่าสวนนภูมิที่ไปเฝ้าพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้ายัางไม่ได้แสดงธรรมพอเคยเฝ้าพระเจ้าในครั้งแรกปุ๊บต่ปุษาภริกาศนี่เป็นทเทววจิกอุบาสกอุบาสกผู้กก่าววาจาถึงรัตนสองคือพระพุทธรัตนธรรมรัตนเป็นศารนะเป็นพวกแรกในโลก พวกแรกสองขั้นเนี่ยทีแรกจะไปอีกทางแต่เทอดาที่เป็นเพื่อนเน่ยนดีตเนี่ยก็ดนใจให้ไปทางที่พระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่ที่อะไรต้นอะไรต้นราชายตนะในสั ป, ปดาห์แรกพระพุทธเจ้าทรงเสวยมุดที่สุขที่รัตนบบลังที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจ็ดวันพอสั ป, ปดาห์ที่สองไปที่ไหน อนิมิตเจดีใช่ไหมไปยืนแล้วก็หันมาทั้งที่ต้นพระศรีมหาโภมมองพระแท่นวัชระอาจมองต้นพระศรีมหาโภ์ไม่กับพิภเนตรตรงนั้นเป็นอนิมิต ส, สเจดียืนไม่กับพิภเนตรอยู่กี่วันเจ็ดวันคิดอะไรคิดอะไรยืนเพ่งอย่างนั้นอ่ะเจ็ดวันอ่ะคิดอะไรคิดอะไรทรงคิดอะไร พิจารณาถึงทานบา ร, รมีศีลเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขาบารมีที่บําเพ็ญมาตั้งแต่อัตภาพแรกแต่ละอัตภาพแต่ละอัตภาพมืพิจารณามาหมดเลยนะกว่าจะไม่ได้นั่งตัดสู้ที่รัตนบัลังก์เนี่ยโอ้โหยากไหมยาวนานไหมยาวนานมากเนี่ยเนี่ยพิจารณาทั้งหมดว่าทํากรรมอะไรมาบ้าง ปรารถนาสัมมาสัมพุทญาณมองโอ้ ح, โหมองด้วยปีติปลาโมทเพราะบรรลุร้ยังบรรลุแล้ ว, ลวโอ้โหที่ตรงนี้เป็นอะไรเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละนี่คือเป็นจุดสำคัญที่สุดของโลกใบนี้ของชมพูทวีปนี้มีจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นน่ะที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องมานั่งที่ตรงนี้และตัดสู่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ ทุกพระองค์ไม่ส่งรักกว่าจะหาเจอหกปีเนี่ยเฉพาะนอัตภาพเนี่ยกว่าจะราเพ็นบารมีเต็มเนี่ยแล้วมานั่งตรงนี้ได้นั่นแหละมองไม่กระพริบพระเนี่ยตรงนั้นเ็าเรียกอนิมิตเจดีโอโหลองคิดดูดีไหนี่แหละเข้าสมาบัตแล้วก็ระลึกเอาสมาบัตเป็นฐานก็ระลึกระลึกกกะลึกลล ก, ลล ก, ลล ก, กว่าจะมานั่งตรงนี้ทำกรรมอะไรมาบ้าง ละเอียดยิบโอ้โหระลึกหมดเลยว่าทำกรรมอะไรคือเหมือนดูภาพยนตร์ย้อนหลังเจ็ดวันเนี่ยมองวิถีชีวิตของตนเองอ่ะคือเหมาะาใช้ปัญญาอย่างเร็วนะพระเจ้าเนี่ยหายใจเข้าแล้วออกเนะี่ยระลึกได้เก้าสิบเอ็ดกลับแค่ช่วงหายใจเข้าแล้วออกเนะี่ยความเร็วของชาวนะต้องใช้เวลาเจ็ดวันเนี่ยกว่าจะลึกหมดทุกอัตภาพ ที่ทํากรรมอะไรมาบ้างนะนั้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าคนมีพลังถ้าที่ตรงนั้นบริเวณเหล่านั้นเนี่ยถ้าพลังจุดศูนย์กลางของโลกวแรงโน้มถ่วงไม่ไม่ดีพอเนี่ยรองรับไม่ได้ที่จะใช้พลังของสมาบัตสองล้านสี่แสนโกสมาบัตเนี่ยในการระลึกขนาดนั้น <c oughs> นั้นคนถ้าไม่รู้ตรงเนี้เข้าไปตรงนั้นไม่ตื่นเต้นนะ ถ้าไปบริเวณนั้นเนะี่ยเอ้ยเราทำความเข้าใจพวกนี้หมดแล้วกลับไปดูใหม่ดีไหมจะได้ไปตื่นเต้นนิดหน่อยไปนั่งตรงนั้นจะไดตื่นเต้นใช่ไหมโอโ้โหจริงไม่จริงไหมถ้างั้นก็เอ้ยเนี่ยงงอะ่ะเหมือนตุ้งแกเหมือนไก่เหมือนเป็ดเหมือนกบที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนึกไม่ออกโอโ้โหทําไมขนาดเนี้กว่าจะเป็นพระเจ้าเนี่ยใช่ไหมล่ะที่เอามาสแสดงเพียงห้าร้อยห้าสิบชาตินีง แต่ความจริงของชีวิตเนี่ยฉากหลังเนี่ยเยอะไหมหูฉากหลังมันไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นมองทุกอัตภาพที่เกิดว่าทํากรรมอะไรมาทากรรมอะไรมายิ่งคิดก็ยิ่งปราโมดปิติโอ้โห ย, ยิ่งใหญ่มากมหาารรมาสัตว์หาบุรุษเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากในอัตภาพต่างๆความเร็วของชาวนาขนาดนั้นนะอย่างเราเนี่ยระลึกไปก็ติดติ ด, ต, ด, ต, ดติดหมดแล้ว ติดขัดหมดใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกเก้าสุเอ็ดกลับไปุ๊บ <c oughs> โลกแตกไปกี่ใบอ่ะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้ากี่ใบรู้ไหมเอาเอาเอานับแบบเศษนะแสนมหากรับเอาโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยแสนใบนี่เรียกแสนกรับถ้าหนึ่งอสงไข หงสงไข่นับยังไงฮะสงไข่ใหญ่นี่นะเอาโลกเนี่ยโลกแต่ละใบเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวการนี้โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกไดแต ก, แตกดับไปรอบหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งสงไข่ถ้ายี่สิบสงไข่ก็ยี่สิบรอบแล้วมาแตกมาเอาเศษอีกแสนใบได้พุระเจ้ามาหนึ่งองค์ที่เราเกิดมาม า, มากกว่านั้นนะ แต่เราไม่ได้เป็นเพื่อเจ้านะ <c oughs> โอ้โหนี่เอาเอาแค่การแตกดับของโลกขนาดนั้นนะคิดไม่ออกเลยใช่ไหมเอาแค่แสนแสนแสนใบก่อนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยหนึ่งสองหน้าไปหนึ่งแสนใบเนี่ยแสนกลับนี่คือเศษเศษนะแต่ยี่สิบอสงไขย 20ประสงค์ไขคิดด้วยใจเก้าใช่ไหมเป่งวาจาเจ็ดทั้งกายวาจาอีกสี่เก้าเจ็ดสี่ยี่สิบประสงค์ไขแล้วต่อด้วยอีกโลกแตกตับอีกแสนใบพวงท้ายก็แสนกับมหากับหรือกับเนี่ยสับเดียวกันเขานับแบบนี้นี่ก็เลยเราสง์ไข่ที่นับได้ ได้พุทธเจ้ามาองค์ท่านต้องระลึกหมดหมเจ็ดวันแค่เวลาเจ็ดวันนั่นแหละอั น, นิมิสเจดีที่ตรงนั้นเป็นที่ที่มั่นคงมบริเวณเหล่านั้นเป็นบริเวณที่มั่นคงโดยเฉพาะที่นั่งตัสรู้อ่ะที่ตรงนั้นมั่นมั่นคงมากที่อื่นตอนนั้นนะพระอ น, นุนบอกว่าขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งที่วัดเชตาวั น, นที่ อ น, นันทาโพต้นโพธิระอนนลปูแต่พระโมคคานะเป็นผู้รับออเอาเมล็ดโพมาจากต้นประสีมาโพต้นแรกพระอนนลบอกว่าให้พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยเหมือนคืนวันตรัสรู้พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอนนลถ้าตถาคตใช้สอยสมาบัตเท่ากับคืนวันตรัสรู้ที่อื่นจะทรงอยู่ไม่ได้ ฉะนั้นพุทธยาก็เลยไปเข้าสมาบัติธรรมดาให้คืนเดียว <c oughs> ที่ตรงนั้นอานันตโพธ <c oughs> ิว่าเจตวันเนียเข้าใจยังจะไปทําสมาบัติให้มากมายขนาดนั้นที่อื่นพังหมดเลยไม่ได้ที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ตัตสรู้จะไปเข้าสมาบัติอย่างนั้นไม่ได้ว่างไงเอง๋ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้สัดาที่สามทำอะไรต่อรัตนจงกรมจะดีทรงเสด็จจงกรมอยู่กี่วันกี่วันที่จงกรมเป็นยังไงใช่ตรงนั้นไหมที่เขาทำจำลองไว้ใช่ที่ตรงนั้นไหมใช่หรือเปล่าือใช่หรือเปล่าใช่ที่ พระเจ้าโศกทำจำลองไว้ข้างล่างและต่อมาก็ไปทำอีกด้านหนึ่งที่สูงสูงขึ้นมาใช่ตรงนั้นไหมที่พระเจ้าทรงกลมเทวดานิมิตลานจงกลมให้แล้วพระเจ้าแสดงยงม ก, กับปฏิหารด้วยนะียเวลาเสด็จจงกลม อ, อลังการลมากนั้นที่จงกลมถึงให้เขาจำลองภาพไว้แค่นั้นเอง เน <c oughs> <c oughs> ่นั่นแหละนั่นแหละจำลองไว้แต่จริงๆแล้วเทวดาเนรมิตลานจงกรมให้มหึมาเลยพระเจ้าเสด็จจงกรมนี่ยเนะี้เดินกลับไปกลับมาเนี่ยระหว่างต้นโพกับอนิมิสเจดีเจ็ดนะวันที่จริงนี่คือสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่ไปประทับที่ รัตนคระเจดีรัตนคระเจดีอยู่ตรงไหนตรงนั้นเป็นที่พระเจ้าแสดงอภิธรรมนั่นแหละพิจารณาอภิธรรมนะที่ตรงนั้นน่พิจารณาอภิธรรมเจ็ดคำพีพอไปละเลึกถึง ทำผีปฐานฉับพันนลังสีก็ตั้งขึ้ น, นโอ้โหตั้งขึ้นอลังการมากเลยพิจารณาอยู่กี่วันเจ็ดวันนะตรงนั้นเขาเรียกว่าสั ป, ปดาห์ที่สี่ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่เนรามิทเรือนแก้วเนรามิทเรือนแก้วใครได้เคยไปบูชาหรื อ, อยังที่ตรงนี้มอไปแล้วเลยอยากไปกันอีกครั้งหนึ่งไหมก่อนตายเนะี่ย อยากไปบูชาไหมยืมก่อนเนี่ยเนี่ยถ้าขอยืมคนอื่นก่อนแล้วก็ผ่อนตรงได้ไหมได้ไหมที่แรกจริงๆก็อยากจะไปเหมือนกันเลยรา่ว่ารู้สึกว่ากลัวว่าต่อไปในอนาคตจะไปไม่ได้ น่าเป็นห่วงใช่ไหมอืมแล้ว เ, เ, เราก็ไม่รู้ไหมใชไหมล่วเกิดมันป่วยขึ้นมามากๆมากๆ ก, ก, ก, ก็ไม่ไหวแล้วยิงไม่ยิงสัปดาที่ห้าที่ไหน เขาเรียกอะไรอ่ะอาชะปารานิโคดตอนนั้นเนี่ยทรงพิจารณาเลเห็นไหมโดยมากเอ่อไปอีกที่หนึ่งเลยนเนี่ยเนี่ยคนละที่กับที่เราไปดูกันเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่อืมจำลองไว้ในบริเวณนะั้นทั้งหมดแต่จริงๆก็สัปดาห์ที่ห้าไม่อยู่แล้วไปอีกมุมหนึ่งแล้วไปที่ข้ามเม่น้ำในรัญชลา พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ข้ามที่บอกว่าพระองค์ทรงเปล่งอูทานพิจารณาปฏิจจสมบาทพร้อมทั้งแสดงการกำจัดกิเลสที่เป็นปฏิปักตอนที่พิจารณาตอนตัศรู้ใหม่ๆนะสั ป, ปดาห์แรกที่บอกว่าพุทธเจ้ากำจัดมานและเสนามาน ขอถามพวกเราหน่อยในฐานะที่ศึกษากันมาก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยอะไรคือมารและเสนามารอะไรเป็นมารมารมีห้าคือกิเล ส, สมารมารคือกิเลสขันธํามารมารคือเบญญาขันธ์ อภิสังขารมานคือเจตนากรรมที่นำไปสู่วัตะเทปุรมานก็มานคือเทวดามัจุมานมานคือความตายอะไรคือมานแล้วเสนามารเนี่ยพระเจ้ากำจัดมานและเสนามานเสียได้ใช่ไหมกามาเตปัมาเสนาทุติยาอารติวุจจติเนี่ย ตาถาคตกล่าวว่ากามตัญหาเป็นเสนาที่หนึ่งของเธอกามตัญหาเป็นเสนาที่หนึ่งความไม่ยินดีในมรรคพรหมจันทร์เป็นเสนาที่สองเอาใครที่ไม่ยินดีในความพ้นทุกข์พอพูดเรื่องพ้นทุกข์ไม่ยินดีไม่พอใจไม่ชอบใจเลยมีใครเป็นไหมนั้นแต่ก่อนเนี่ยเรายินดีไหมยินดีในการเจริญศีลสมาธิปัญญาเกิดยินดีในการยินดีไหนมากกว่ากัน นั่นแหละตอนนี้งั้นความไม่ยินดีในพรหมจรรย์นี่แหละในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ในการที่จะเดินตามศีลสมาธิปัญญาไม่ยินดีในการเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยความไม่ยินดีในการประพฤติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นเสนาที่สองความหิวกระหายเป็นเสนาที่สมความทยานอยากเป็นเสนาที่สี่ ขีณามิทะความหดขู่ท้อถอยเป็นเสนาที่ห้าความขาดความกลัวนี่เป็นเสนาที่หกวิจิกิจขาความลังเลสงสัยไม่กล้าเดินเข้าสู่มชิมาปฏิบัติานี่มัวเดินอยู่เนี่ยสงสัยกามบังสงสัยจะจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตเนี่ยเป็นเสนาที่เจ็ดความรบหลูดื้อรั้นทั้งหลายเป็นเสนาที่แปดแล้วก็ลาบ สารเสริญสกาละชื่อเสียงที่ได้มาโดยไม่ชอบรำเป็นเสนาที่เก้าการยกตนข่มท่านเป็นเสนาที่สิบแน่มานเสนาของเธอผู้มีธรรมอันดำมักเบียดเบียนสมณพราหมณ์ผู้ไม่อาจหารจะเอาชนะเสนานั้นไม่ได้ส่วนผู้อาจหารเช่นเราเอาชนะแล้วจะได้รับความสุขหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเอาชน ะ, เ, ชนะเสนา ทั้งสิบได้จะมีความสุขกามตัณหาใช่ั้ยกามารติข ป, ปิปาสาตันหาจะทีนมิทธังตันทีวิจิกิชามาโนลาพาทยุ ก, กังธนาทศาเยนามาณสิบคือหนึ่งกามตัณหาสองความไม่ยินดีในพรหมจันยร์สามความหิวก็หาย4ความทยานอยากหทีนมิถะ หกความขาดกลัวเจ็ดความลังเลสงสยัยห้าความถือตัวความดื้อร้านแล้วก็เก้าก็ราบสกาละเจ็ดนั่นแหละตัวมานะนี่เป็นอย่างนี้คือโดยคํากล่าวที่บอกว่าบรรพชิตเนี่ย หรือบุคคลที่เข้ามาสู่ในเพศไนบวด ก, บกับการยินดีในการบวชอันไหนยากกว่ากันยากกว่าแม่งเป็นไหมยินดียากกว่าหนูอัชชาปารณนโคดนี่สัปดาห์ที่เท่าไหร่นะสัปดาที่ห้านี่ในที่อัชาปารานิโคต อัชาปารานมีอยู่สามความหมายในยคนเลี้ยงแพะกับต้นไม้อันเป็นที่อำนักของพรามผู้สาธยายพระเวทไม่ได้กับต้นไม้อัชาปารานี่เป็นต้นใสใช่ไหมั้ยต้นอะไรเนี่ยต้นใสเนี่ยนีน่พระองค์เบสวยมุติสุขอยู่ตรงนั้นแหละต้นอัชชาปารานีโคตเนี่ย แล้วพอสัปดาห์ที่หกล่ะสามมุจลินนะตอนที่แสดงยงมกับปฏิหารแสดงที่ตรงไหนพระโบราณอาจารย์ชาวพมา่พาท่านพรนาตอนที่แสดงยงมกับปฏิหารบอกว่ารัศมีสีเขียวแผ่ซ่านออกจากที่ที่มีสีเขียว รัศมีสีเหลืองสีขาวสีแดงสีหงสบาดและสีประพัสดสอนก็แผ่ซ่านออกจากที่นั้นๆฉับพันณรังสีเหล่านั้นย่อมแล่นไปสู่ทิศทั้งหมดอย่างนี้จวบจนถึงปัจจุบันอาการรัศมีถวยเทพย่อมลิบหลีดับสูญไปข้าพเจ้าขอนามสการพระพุทธเจ้าผู้มีพระคุณแผ่ไปในโลกพระองค์นั้นอังคีรสานะ ที่พระพุทธเจ้าของเราที่มีพระนามว่าอังคีรสเนี่ยแปลผู้มีรัศมีสีซ่านออกจากพระวรกายก็คือฉับพันตรังสีนั่นแหละอังคีรัสสะสัมมาสัมพุทธเจ้ารัศมีสีเขียวรัศมีสีเหลืองรัศมีสีแดงเพราะในพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสีเขียวใช่ไหมตรงไหนเป็นสีเขียวก็จะมีรัศมีสีเขียวพุ่งออกไปตรงไหนมีสีเหลืองก็จะพุ่งออกไปสีเหลืองพุ่งที่มีสีแดงก็แผ่ซ่านออกไปสีขาว แล้วก็สีหงสบาทสีประพัดสอนนี่ก็แผ่ออกไปในลักษณะอย่างนี้ตอนที่พระเจ้าทาทายะมมักกับปฏิหารก็จะเป็นเออทาอีกทาฉับพันตรังสีนี่เป็นไปอย่างนี้ส่วนต้นมุจยลินเนี่ยอันนี้เป็นสัปดาห์ที่หกใช่ไหมเม้อยู่ตรงไหน ปัจจุบันก็คือสานี่นใช่ไหมใช่ไหมจำลองใช่ไหมได้ไปดูที่เขาจริงหรือยังเคยไปยังใครเคยไปยังไปแล้วฉันไปมาแล้วเป็นสาเหมือนกันไม่มีสะตอนนั้นนะ่ะฝนตกมุจยาละเนี่เป็นชื่อของต้นไม้ จริงๆบางทีบางแหนก็เรียกต้นกระทุ่มใหญ่เป็นต้นไม้ไม้ใหญ่ที่สุดบางทีก็เรียกต้นจิกตอนนั้นน่ะฝนตกมากท่วมท้องพวง ม, ม, มาฝนตกใหญ่ทีนี้ในช่วงที่ฝนตกเนี่ยความดําหลีก็เกิดขึ้นแก่พยา น, นาว่าพระพุทธเจ้าประทับใกล้ควงไม้โพธิพฤกษ ไม่ไกลจากที่อยู่ของเราฝนตกพรำๆตลอดเจ็ดวังพระองค์ควรจะได้รับสถานที่ที่ประทับพยานนาคนั้นก็เลยเนรมิตปราสาทที่สำเร็จด้วยรัตนาเจ็ดประการโดยดำลีว่าเมื่อกระทำอย่างนี้เราจะได้รับแก่นสาระจากสรีละก็คือหมายความว่าเราจะอาศรีละของเราเนี่ยเนรมิต น, น เราจากทําการเกื้อกูลพระทศพลด้วยสรีละแล้วก็เนรมิตอัฐภาพใหญ่วงรอบพระศาสดาด้วยขนดเจชั้นแผ่พังพานเหนือพระเสียนเออตรงเนี้ยที่บอกว่าภายในขนดพญา น, นาคนั้นเทียบกับห้องเรือนคลังในโลหะพราศาสตรตรงนี้ก็เลยมีเรื่องบอกว่าสถานที่ภายในขนด เทียบเท่ากับโลหะปราสาทชั้นล่างเนี่ยก็คือพญานาคเนเนรมิตรประสาทก่อนเป็นลักษณนะเป็นโลหะประสาทแล้วก็เนรมิตบัลลังก์สถานที่บัลลังก์ไว้นั่งประทับเตียงบรรทมนะสถานที่จงกรมทําไว้หมดเลยเลาะในในในประสาทนะั้นแล้วประดับด้วยรัตนะเสียงสวยงามเลยส่วน ตัวท่านเองตัวพญานาคเองท่านก็มาวงรอบขดขนดรอบปราสาทอีกทีหนึง่งเหตุผลที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่อยากให้กายกายของท่านเองที่มีกลิ่นไม่งดงามเนี่ยจะไปรบกวนคันธารมคาหน้าปราสาทของพุทธเจ้าก็เลยต้องเอาดอกไม้ของหอมประดับไว้ข้างในทั้งหมดเลยนะแล้วตนเองก็วงรอบปราสาทนั้นขนดอยู่บนปราสาทอีกทีหนึง่ง <c oughs> จะใรยังฉะนั้นพระพุทธเจา้าต้องอยู่ข้างในปราสาทแล้วก็แพ่พังพานเป็นเสียนเดียวนะล็อบปิดนั่นแหละปิดมนดบข้างบนด้วยเนี่ย น, นะนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละทำอย่างนั้นแหละเจ็ดวันตลอดเจ็ดวันทีนี้ แต่โดยมากเราไปเข้าใจกันยังไงดีเราไปเ้า <c oughs> แต่ประเทศไทยเราก็ดีเนาะ <c oughs> เวลาปั้นเนี่ยก็วิจิตบรรจงเอามาเป็นอ่อเอาเป็นกนนดนั่งอยู่บนนั้นเลยนั่งอยู่บนตัวพญานาคเลยแล้วพญานาคก็แผ่อยู่ข้างบนเจ็ดหัวบ้างสะหัวเดียวไม่มีนะเจ็ดเสียนนี่มากเจ็ดที่เขากําลังทํากันเนี่ยเดี๋ยววันที่สิบี่เดือนหน้าที่เขานี้จะไม่นวนไป นี่ก็เป็นเจ็ดเสียงใช่ไหมพญานาคเจ็ดเสียงมีก็กทำมีก็สวยนะก็กระทำก็โอเคก็สวยอนะ่ะดูงามอลังการลามืกแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้โ <c oughs> ดยข้อเท็จจริงก็คือเป็นโลหะปรสาทพญานาครู้ว่าบัดนี้ท้องฟ้าปราศจากเมฆอุปสรรคแลวก็เย็นเป็นต้นแล้วเนี่ย เขาต่อมาครบเจ็ดวันก็มาเป้าพระเจ้าเนี่ยแปลงเป็นมนุษย์พระเจ้าก็กล่าวถึงเรื่องความสงบเนะ่ยคสุขที่เกิดจากความสงบเป็นเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมต่อไปก็เรื่องต้นราชายตนะราชายตนะนี่ต้นอะไรเนะ่ยกบูชาบูชาตอนนั้นก็อุบาสก สองท่านใช่ไหมชื่อว่าตปุสาพลิกะนี่แหละที่ว่าเทววจิกะอุบาสกที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ขอถึงสารณาสองไปฟ้าพระเจ้าแล้วพอพุระเจ้าเนี่ยใช้พระหัตทรูปไปบนพระเศียรจับเอาเส้นพระเกศามาก็เลยมีตำนานว่าพอรับเส้นพระเกศามานี่ก็เลยมาบรรจุไว้ที่โชเอดากองที่พระมาเอาเลยแต่นี้ได้เลย ได้บัรจุไว้ที่เชเวดากองนึงก็เลยเป็นจุดศูนย์กลางจนทุกวันนี้แหละที่พ่มามาไม่ถึงนครปฐมไม่ยอมแบ่งไมใ้ให้แค่เชเวดากองยอเวลาสาธยายก็จะสาธยายบูชาพระพุทธเจ้าเน่จะมีการพารณาสาธยายว่า ปธมังโพที่ปัลลังกังทุติยันจะอนิมิสังอนิมิสั ง, ออสงตาติยังจังกังเสถถังจะตุถังรัตนาคารังปัญจมังอาชปารัญจะฉัฏฐันจะมุจจรินทะกังแล้วก็สัตตมังราชายตนะสัตตฐานะมหังนมม ปฐมังโพธิปันลังกังทุติยันจะอนิมินมิสังตาติยังจังกมังเศษทงังจะดูทังรัตนาครังปัญจังมังอชปารัญจาชาทันจามมจรินทักังสัตตมังราชายตาณัง จตทานามังนะเมข้าพระเจ้านี้ขอนมัส ก, การสถานที่ทั้ง7อันได้แก่ฐานะที่หนึ่งคือโพธิบัลลังฐานะที่สองคืออนิมิสเจดีสถานที่ไม่ทรงกับพิพพภเนตฐานะที่สคือรัตนจงกรมเจดีฐานะที่สี่คือรัตนคาราเจดีเจดีเรือนแก้ว ฐานะที่ห้าคือต้นอัชาปารณิโคตฐานะที่หคือต้นมุจจรินฐานะที่เจคือต้นลาชายตนะด้วยเสียนกล้าว <c oughs> ไปบูชาไปสาธยายกันหนึ่งดีไหม <c oughs> ไปสาธยายไปนอบนอบ้อมถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วต่อมาเนี่ยตอนนั้นผมมาลหลังจากจบกิจ สี่สิบวันพระพุทธเจ้าก็มาพิจารณาแล้วพระองค์ทรงขวนขวายน้อยด้วยเนาะไม่ปรารถนาที่จะแสดงธรรมเพราะธรรมที่พระองค์ทรงได้ตัดสรูนี่เห็นได้ยากหรือได้ง่ายก็เลยทรงขว น, นขวายน้อยตอนนั้นท้าวมหาพรหมก็เลยลงมาลาธนานละทัานาบอกว่าธรรมโมธรรมะคือสัจจะทั้งสี่เนี่ย ไม่มีธรรมที่จะพึงแต่และนอกเหนือบอกว่าคำลึกซึ้งมากเห็นได้ยากไม่ได้อาศัยญาณของบุคคลอื่นเว้นจากผู้ที่สั่งสมบรารมีอย่างแก่กล้าเหมือนมหาสมุทรถามว่ายุงเนี่ยสามารถใช้จะ ง, งอยปากเนี่ยยังลงมหาสมุทรจะถึงห <c oughs> ไม่ได้ทาที่เห็นได้ยากก็คือไม่สามารถเห็นได้ง่ายเพราะลึกซึ้ง ตรงนี้แหละเป็นธรรมที่ลึกซึ้งปราณีสงบภาวะที่ไปสู่ความไปสภ า, สภาวะธรรมที่เห็นได้ยากอิทัพปัจจตาเอยปฏิจจสมบาตเอยเป็นต้นพระนิพพานานี่เห็นได้ยากอย่างนี้เป็นต้นเนอะนตรงนี้ก็เลยกล่าวราถึงมาถึงพูดถึงตรงนี้ก็เลยทำให้นึกถึงในเรื่องนี้ก็เลย ลากยาวเลยทววาจิกาอุบาสกพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวคัคคีแล้วที่สุดจริงๆในวันต่อๆมาก็ทงแสดงธรรมอนัตตลคกณะสูตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเนี่ยพระธรรมก็ประกาศมาจนถึงในพวกเราเนี่ยทีนี้เวลาที่เราจะขอเราจะสาธยายหรือสวดมนต์กันเนี่ย การเข้าใจความหมายเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะวเวลาเราสาธยายและสวดเนี่ยวันนี้เราจะสวดบทไหนกันดีบทไหนต้องดูที่อ่ะต้องเลือกๆ ก, กั น, นบทไหน เ้าหนึ่งเรื่องอะไเอ่ยบทอะไรมีดรออ๋อมีบทกับอ๋อมีอะไรอ่ะเดี๋ยวสวดมนต์กัน เมื่อตอนกลางวันเราสวดอาตานาทิยาปริตแลวเนาะ <c oughs> <c oughs> หลือบทไหนอีกที่ยังไม่ได้สวดพ <c oughs> าหุงสวดที่ยังสวดพาหุง เม่อาหงต้องสวดทํานองธรรมดาสวดเป็นทํานองไม่ไหวเสียงไปไม่ได้ต้องใช้เสียงเยอะจังเอาเดี๋ยวสวดไอ้โต พระปริตก่อนดีกว่าไอ้สวดไอ้ชมนมเทวดาก่อนนะป yeah. ริตาวานะเมตังสะเมตตาพัทันตาอากวิขิตะจิตตาปริตตังพนันตต สมาญตาจักวาเรสุอตราคาฉันตุเดวตาสัตถมังโมนิราชาสาสุนันตุสากโมคตัง จากเคคาเมจะรูเปคิริสีขราตเตจันตริเควิมาเนทีเปราเทจะขาเมตระวาณคหาเนเคหาวทมีเคเตบุมาจะยันตุ ทเท ว, วาชาราทธราวสเมยาคขขันทันาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรมสวนณกาโลอยยมพันตา ธรมาสวนากาโลอยายมพทันตาธามาสวนาคาโลอยายมพทันตาขอเชิญเหล่าเทพพยาดาผู้สถิตยอยู่สวรรค์ชั้นกามปพบก็ดีณชั้นลูประพบก็ดีและเหล่าภูมิมัทะเทวดาผู้สถิตนวิมานหรือยอดเขาและหุบผาในอากาศ บนเกาะในแว่นแควนในบ้านในต้นพฤกษาและป่าชัดในเรือนและในไร่นาเชิญเหล่ายักษ์และคนทันทั้งหมู่นาผู้สถิตยอยู่ในน้ำหรือบนบกและอันไม่ราบเรียบทั้งที่อยู่ในที่ใกล้เคียงจงมาประชุมพร้อมกันณที่นี้คำใดเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านสาตว์บุรุษทั้งหลายจงสดับคํานั้นที่ข้าพเจ้าจะได้สวดตามพุทธมนต์ท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังพระธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังธรรมท่านผู้เจริญทั้งหลายการนี้เป็นการควรฟังพระธรรมอ๋สวดธรรมจักเนาะหน้าที่ร้อยสาสาม เราพวกเราอารัลธนาทำก่อนเนาะร้อยสามสองท่องเงิน เรน อนุตรังอะพิสัมโพธิงสัมภูชิตวะตัทาคโตปัตมะยังอเทเสสีธรรมจากกลางอนุตรังสัมมาเทวะปวัตตนโตโลเกอปติวะติยัง ยาาคาตาอุพานตาปฏิปติจะมาชิมาจะตูสวาริยัสเจสุวิสุทธังยานทัตสนังเดสิตังธรรมราเชนาสัมมาสัมโพธิกิตตางนามเณวิสุตังสุตตัง ธรรมจักกปวัตนังเวยากรณปาปเทนาสังขีตันตมพนามเสเอพระตถาคตทรงตัดสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเมื่อจะทรงประกาศพระธรรมซึ่งยังไม่มีใครแสดงได้อย่างถูกต้องในโลกได้ทรงแสดงพระธรรมจักอันใด ซึ่งกล่าวถึงส่วนสุดสองประเภทและทางสายกลางอันเป็นปัญญารู้แจ้งทั้งหมดจดในอริยสัจสี่เพียงใดขอเราท่านทั้งหลายจงสวดพระธรรมจักรอันนั้นที่พระธรรมราชาทรงสแสดงปรากฏสมัญญานามว่าพระธรรมจักรกับปวัตนสูตร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 เอวมเมีสุตังเอกังสมยังภาควาภารานสิยังวิหารตีดิสิปะตะเนมิกขาทายตัตระโคภาค ว, วาปัญจวัคคียพิกุอามันเตสีทวเมพิกคาเว อันตาปะพิชเตนะนัสวิตาพากตะเมทเวโยจายังกามสุกามัสุขันลิกานุโยโคหินโอคมโมปุทชนิโกอนาริโยอนัสสานิโตโยจายัง อาตะกิลามัานุโยโคโตโกอนาริโยอนาตาสานิโตเตเตเตพิงคเวอุภวนเตอนนปคัมมามาชิมาปฏิปทาตถาคเตนาภิสัมพุทธาจกขุกรณีญาณักรณีอุปสมายาอภิญญาญา สัมโพธายานิพา ن าญาสังวัตติกรรมาจารสพิฆเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนารพิสัมพุทธาจยากขุกรณียาณกรณีอุปสมายาภิญญาญาสัมโพธายานิพา ن ا ญาสังวัตติ กยเมวะอริโยอัตถังคิโกมะโคเสียทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจ a j สัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสมาสมาธิยังโคสาภิกขะเว มัชิมาปฏิปทาตถาคเตนาภิสัมพุทธาจยากขุกรณียาณกรณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพธายานิพ انا ญาสังวัตติีทั้งโคปนาพิงเขวทุกขังอริยสัจัง ชาติปีตุคาชาราปีทุกคาพยาปีทุโคมรณะปีทุกคังอภิเษกิสัมประโยโคทุโคอภิเษหิวิปโยโคทุโคยำปิชังนรปติตามปีตุคังสังคิเตนะปัญจุ ป, ปาธานคันธาทุกคาอีทั้งโคปนภิกคเว ทุกขสมุทัยอริยสัจยังญายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคาสหากาตาตรัตตตรตราพินันทินีเสยาะทิทางกามตัณหาบาตตัณหาวิภบวาตัณหาอีทั้งโคปนพิฆเวทุกขนิโรธโอริยสัจยัง โยตสาเยวาตันหายาอเสสวิราคณิโรโทกาโคปตินิสโคมุติอนารโยทั้งโคปนาพิกเวทุคณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจยังยเมวาริโยอัททังคิโกมังโค เสยาทิทังสมาธิสมาสังกโปสมาวาจาสมากรรมโตสัมาอาชิวสมาวาญโมสัมาสติสมาสมาธิีทั้งทุกขังอริยสัจันติเมพิกเว โปเภอาณาโนสุเตสุธรมเมสุจยากคงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปณิทางทุครังอริยสัจยัง ปริญยยยันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคงอุทปาทิญาณังอุทปา ธ, าาธิปัญญาอุทปาธิเวจ่าอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทงังทุขังอริยสัจัง ปริญญาตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจาวุตตปาทิอโลโกอุทปาทิอีทั้งทขสมุทโยอริยสัจยันติเมพิกเว โปเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจะคงอุทปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิเวจ่าอุตปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุขสมุทโยอริยสัจจัง ปหาตาพันต ah ิเมพิกเวปุเพอนัน an ุสุเตสุธรมเมสุจยกคุงอุทปาทิอยานั่งอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปณิทังทุกขสมุทัยอริยสัจัง ไปนั่นติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรมเมสุจยากคงอุทปาทิอยากนังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจ้าอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางโทุกนิโรโทอริยสัจติเมพิกเว บุเภอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจยากคงอุทปาทิอยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวทญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปณิทังทุกข์นิโรธอริยสัจังสาชิกาตพันติเมพิกเว ปเพอ น, นันโนสุเตสุธรมเมสุจากคงอุทปาทียานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชญาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปณิทางทุกขนิโรโธอริยาสัจยังสาชิกตันติเมพิกเว ภเพอนันโสุเตสุธรมเมสุจยากคงอุทปาทีอยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทีทั้งทคกนิโรธามินีปฏิปทาริยสัจจันติเมติกเว โปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคงอุทปาทียานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจ่าอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิดังโคปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาริยสัจจังภาเวตะพันติเมพิกเว ภเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากคงอุทปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวจ้าอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตั้งโคปนิทางทุกขนิโรธะมินีปฏิปทาริยสัจจังบาวิตันติเมพิกเว โปเพอนันุสุเตสุธรมเมสุจยากคงอุทปาทิญยากนั่งอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวทาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกีวันจะเมผิกเวอิเมสุจะตูสุอริยาสเจสุ เอวันตีปริวัตังทวัตสาการังยะาภูตังยะนาทศนังนาสุวสุทังอโหสีเนวตาวหังบิณกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพระมเกสาสมณบรมณียาปัญญา เทถาวรมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคมพิงคเวยเมสูจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวตังทวทสาการังยถาภูตังยานทัสสนัง สวิตูทังอโหสีอะทาหังพิกเวสสเทวเกโลกเกสมาราเกสับรัมเก ส, สาสมัณบรมณิยาปชายาสเทวมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิง ยานันจปาณเมทะสนางอุทปาธิอโกปาเมวิมุตติอยมานติมาชาตินัติปานีปุณภโวติยิธัมโวจภควาอตมนาปัญจวคิยาภิกขุภควะโตภาสิตังอภินนทุง อิมาสมมินจาปนาวียากรณาสมิงพญญมาเนอยสมมันโตกนตัญญาสาวิราชังวีธรรมรังธรรมจักขุงอุทปาทียังกินเจสมุคยธรรมมังสะพานตังนิโรธธรรมมันตี ปวัติเตจพัวตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตมานุสาเวสุงเอตํมพกวตาภารานสียังอิสิปตเนมิกคาไทยอนุตรางธรรมจักกังปวัติตังอาปิวัติยังสมเนนวาพระมเนนวา เทเวนวามารณวาพระมุนาวาเกณจิวารุกัสมินตีภูมานังเทวานังสัตทังสุดตวะจาตุมหาราชิกาเทวาสาธมนุสเวสูงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุดตวะ ตาวัติงสาเทวาสาธถมนุสาเวสูงตวัติงสานางเทวนางสัตทังสุดตวะยามาเทวาสาธถมนุสาเวสูงยามานางเทวนางสัตทังสุดตวะตุสิตาเทวาสาธถมนุสาเวสูง ตุสิตานังเทวานางสัตทางสุดตวัวนิมมานาระรติเทวาสาธถมนุสสาวสูงนิมมานาระรตินางเทวานางสัตทางสุดตวัวปารนิมมิตวสวัตติเทวาสาธถมนุสาเวสูง พระนิมิตวสวัตตินางเทวนางสัตทังสุตวะพระมปริสัชชาเทวสาธถมนุสาเวสูงพระมปริสัชชานางเทวนางสัตทังสุตวะพระมปโรหิตาเทวาสาธถมนุสาเวสูง พระมปรพุทหิทังเทวนังสัตว์ทังสุดตัามหาพรหมาเทวสาธว์มนุสาเวสูงมหาพรหมานังเทวทังสัตว์ทังสุดตัาปริตตาพาเทวสาธว์มนุสาเวสูง ปาริตาภานังเทวานังสัตตางสุดตวะอปมาณัภาเทวะสาธถมนุสาเวสุงอปมาณังภาณังเทวานังสัตตางสุดตวะอาภัสสรเทวะสาธถมนุสาเวสุงอาภัสสรังเทวานังสัตตางสุดตวะ ปาริตาสุภาเทวะสัตถมนุสาเวสูงปาริตาสุภานางเทวานังสัตงสุตตวะอปมาณะสุภาเทวะสัตถมนุสาเวสูงอปมาณะสุภานางเทวานังสัตงสุตตวะสภกินขะกาเทวะสัตถมนุสาเวสูง สุภกินหกานางสัตตังสุตวะเวหาราเทวาสาธมนุสาเวสูนางเทวานางสัทตังสุตวาอวิหาเทวาสาธมนุสาเวสูอวิหานางเทวานางสัตตางสุตวา อาตาปาเทวะสาตมาโนสาเวสูงอาตาปานังเทวะนังสัตถังสุดตวะสุทาสาเทวะสาตมาโนสาเวสูงสุทาสานังเทวะนังสัตถังสุดตวาสุทาสีเทวะสาตมาโนสาเวสูง สุทาศีนางเทวนางสัทตังสุตวาอากานิธากาเทวะสาธถมโนสาเวุสุเอตัมภคะวตาภาราณศียงอิสิปตเนมิกคาทายอนุตรางธรรมจักกังปวติตังอาปิติวติยัง ตมะเนนวะพระมเนนวะเดเวนวะมารณวะพระโมนะวะเกณจิวะโลกสมินตีอิติหเตนาคเนนะเตนะมโหเตนายาวพระมโลกาสัตโทธภุคชี ยัญจะทัสสะหาสีโลกธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปิสัมภเวทีอปมาโนจาโหราโรโอภาโสโรเกปาตุระโหสีอติกเมวัเดวานังเทวานุภาวังอทาโคภควะอุทานังอุทาเนีสี อนยาสิวัตถะพโกณตัญโย อ, อนญาสิวัตถพอกอตัญโ ย, ายาะ ต, ะอตยาาีอิอติหทางอายะสมาโตกตัญญาสอนญากตัญโยตเววานามังอโหสีตีจะมากระวดกันธรรมจักกะโพธันังนิตตังดยต่อไหมอัาโคะ อตะโคอายะสมาอัญญาสิกตันโยเทติธรรมโมปาตธรรมโมวิเทติธรรมโมวิคปริโยคาระหดัมโมตินาวิชิกิโชวิคตากะทังกะโทเวสาราชปาโตอปาราลาปัจโยสาธุศาสเนภะคะวันตัง เอตถวโจาละเพยยาหังพันเตภะคะวาโตสันติเกปาปชังละเพยยาหังอุปสัมปะทันตีเอหิพิคูตีภะคะวะโวจาสวาคาโตธรรมโมจระพรมจริยางสามาทุกขสะอันตริกริยายาตี สาวตาสาอายาสมะโตอุปสัมปทาโหสีตีธรรมจักกับพวัฒนสูตรตังนิทิตังจบพระธรรมจักรกับพวัฒนสูตรแล้วแปลไหมอ๋อท่องแพรกันมัย <c oughs> พระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรปทมเทศนานิทานพ์ข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะป่าอิสิปตนาบรกทัยวันกรุงวราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุปัญจวคัคคีมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันบันปะชิดไม่ควรเสพคือการมาสุขขาลิกาโนโยกการประกอบตนให้พัวพันด้วยการมาสุขในกรรมมคุณทั้งหลาย เป็นธรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพ า, าริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งอัตตากิระมาฐานุโยกการประกอบความเหน็ดเหนื่อยในตนเป็นคำลำบากไม่ใช่ของพ า, าริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองอย่างเหล่านั้นอันตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยาธให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานนั้นเป็นฉไนะมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางนั้นได้แก่อริยมรตมีองค์แดเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นในอริยสัจสี่สามมาสังคปะความดำรีถูกต้อง คือดำริในกุศลสังกปะา 3. สาสัมมาวาจาการเจรจาถูกต้องคือเว้นจากวาจีทุจริตสีสัมมากรรมตะการงานถูกต้องคือเว้นจากการยทุจริตสาสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตถูกต้องคือเลี้ยงชีพที่เว้นจากการยทุจริตสามวจีทุจริตสีสัมมาวายามะความเพียรพยายามถูกต้อง คือสัมมาประธานทั้งสสัมมาสติคือการความระลึกถูกต้องคือระลึกในสติปัฏฐานสสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้องคือตั้งมั่นในฌานทั้งสดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แลคือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทาดวงตาให้เกิด ทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสรู้เพื่อพระนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ความพลัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยศัสตร์คือตัณหาที่ทำให้เกิดในพบใหม่ด้วยความกําหนัดด้วยความความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือ คามตันหาความเพลิดเพลินพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบะวะตันหาความเพลิดเพลินพอใจในรูปประพบอรูปประพบหรือตันหาอันประกอบด้วยสัตวตตทิฏฐิวิภวตันหาตันหาที่เกิดร่วมกับอุเฉททิฏฐิที่มีความเชื่อว่าสัตว์ตายแล้วศูนย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธท้อริยสัตถ์คือตันหานั่นแลดับ โดยการละลายด้วยอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือการสละการสละคืนการปล่อยไปการไม่ผัวพันดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจได้แก่อริยมรรคมีองค์8เท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นในอริยร 4, สัจส์่สัมมาสังกัปปะความดำรีถูกต้อง ดัมริในกุศลสังกป่า 3. สสัมมาวาจา ก, การเจรจาถูกต้องคือการเว้นจากวจีทุจริตสสัมมากรรมตากการงานที่ถูกต้องคือเว้นจากการยทุจริตสสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องเลี้ยงชีพที่เว้นจากการยทุจริตสามวจีทุจริตสสัมมาวายามาความเพียรพยายามถูกต้องคือเพียรพยายามในสมัมมาประธานทั้ง4ี่ สัมมาสติความระลึกถูกต้องคือระลึกในสติปัฏฐานสี่สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้องคือตั้งมั่นในฌานทั้งสี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิ ช, ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลาย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 ทุกข์่าอาริยสัตย์นี้นั่นแลเราได้กำหนดรอบรู้เสร็จแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกข์่าสมุทัยอริยสัตย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขาสมุทัยอริยรรรสัจนี้นั่นแลปหานะควรละเสียดูก่อพภิกษสุทั้งหลายดวงตายานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขาสมุทัทยอริยรรรสัจนี้นั่นแลเราได้ลาเสร็จแล้วดูก่อพภิกษสุทั้งหลาย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 ดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธคามมนีปฏิปทาอาริยสัต์นี้นั่นแลเราได้เจริญเสร็จแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอาริยสิตีนี้มีรอบสามมีอาการ12สองอย่างนี้ ยังไม่จดดีแล้วเพียงใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นผู้ตัตรรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมนาพรามเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อใดแลปัญญาอันรู้เห็นตามความเป็นจริงของเรา ในอริยสัจ ส, สีน่นี้มีรอบสามมีอาการสิบสองอย่างนี้หมดจดดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตัดรรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งปัญญาอันรู้เห็นได้เกิดขึ้นแล้วแกเราว่า ความพ้นวิเศษของเราไม่กลับกับกเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปพระพระปัญจวัคคีย์พากันดีใจชื่นชมยินดีพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสวยกรพาษิทธินี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมมันปราศจากธุลีปราศจากมนทินโสดาปฏิมักคือเห็นอริยสัจสี่ ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระัญยากนธัญญาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเห็นทุกขสัจจะและสมุทัยสัจจะสิ่งนั้นตั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดาเห็นนิโรธาสัจจะคือพระนิพพานครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักให้เป็นไปแล้วเหล่าภูมิมัฏเทวดาได้บรรลือเสียงว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปตน้ำเบรกทยาวันแขวงเมืองพราณสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้เทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ยินเสียงพวกภูมิทัธิวาแล้วก็บลืนเสียงต่อไปเทวดาชั้นดาวดึงได้ยินเสียงของพรหมเทวดาชัน้นของเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็บลือเสียงต่อไป เทวดาชั้นยามาได้ยินเสียงพวกเทวดาชั้นเดวดึงแล้วก็บลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นดุสิตได้ยินดินเสียงเทวดาชั้นยามาแล้วก็บลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นนิมมานรดีได้ยินเสียงของเทวดาพวกชั้นดุสิตแล้วก็บลือเสียงต่อไปเทวดาชั้นปรานิมมิวสวัสตี ได้ยินเสียงของพวกเทวดาชั้นนิมมานรดีแ <wiped> ล <understand> <Nice. S 1> ้ว <Wash> ก <natuurlijk> ็บรรลือเสียงต่อไปปริสัชชาพรมได้ยินเสียงพวกเทวดาชั้นนิมมานรดีแล้วก็บรรปรณิมิตวสวัตดีแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปปุโรหิตาพรมได้ยินเสียงพวกปริสัชชาพรมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปมหาพรมได้ยินเสียงพวกพรมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไป ปริฏตาภาพรมได้ยินเสียงพวกมหาพรมแล้วก็บลือเสียงต่อไปอปมานาภาพรมได้ยินเสียงของพวกปริฏตาภาพรมแล้วก็บลือเสียงต่อไปอภัสรพรมได้ยินเสียงของพวกอปมานาภาพรมแล้วก็บลือเสียงต่อไปปริฏตสุภาพรมได้ยินเสียงพวกอภสรพรมแล้วก็บลือเสียงต่อไป อปมาณะสุภาพรหมได้ยินเสียงพวกปริฏตสุภาพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปสุภกินหาพรหมได้ยินเสียงพวกอปมาณะสุภาพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปเวหภราพรหมได้ยินเสียงของพวกสุภกินหกพรหมแล้วก็บรรลืเสียงต่อไปอวิหาพรหมได้ยินเสียงของพวกเวหภราพรหมแล้วก็บรรลือเส <reproduce> ียงต่อไป อัตปาพรมได้ยินเสียงของพวกอวิหาพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปสุทัศษาพรหมได้ยินเสียงของพวกอตปาพระก็บรรลือเสียงต่อไปสุทัศศีพรหมสุทัศษาพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปอาคณิถกาพรหมได้ยินเสียงพวกสุทัศสีพรหมแล้วก็บรรลือเสียงต่อไปว่านั่นพระธรรมจากอันยอดเยี่ยม พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศให้เป็นไปแล้วณนะป่าอิิปตนามบลกขทยวันเขตพระนครพระนศีอันสมนัพราหมณ์เทวดามารพรหรือใครๆในโลกจะปฏิวัติไม่ได้ชั่วขณะการครู่หนึ่งนั้นเสียงได้กระชอนจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนีแลทั้งหมื่นโลกธาตุได้วันไหวสะเทือนสะทานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ ปรากฏแล้วในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายลําดับนั้นทรงเปล่งพระอุทานว่าท่านผู้เจริญโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอท่านผู้เจริญโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคําว่าอัญญาโกนธัญญะนี้จึงได้เป็นชื่อของท่านพระอัญญาโกนธัญญะด้วยประการชนี้แลครั้งนั้น ท่านพระอัญญาโกลธัญญะได้เห็นธรรมแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้วได้ยังลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศ า, าสดาได้กราบทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอข้าพระองค์พึงได้บรรปชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ พระผู้มียภาคเจ้าได้ตรัสว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวไว้ดีแล้วขอเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดดังนี้เอหิภิกขุอุปสมบทนั้นแลจึงเป็นการอุปสมบทของท่านพระอัญญาโกณทัญญะนั้นแล้วแลจบพระธรรมจั ก, กพรพวัตตนสูตรโอ้โหเหนื่อยเลยสาธุสาธุสาธุ เกือบสองเกือบสองทุ่มแล้วล้วยังไม่ได้ส่งเทวดากลับตอนนี้เทวดาฟังธรรมกันชื่นใจหน้าที่เท่าไหร่ส่งเทวดากลับอ เดาตั้งใจนะนเชิญเทวดากลับเนาะเทวดาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุคาปตาจจนิทุขาพยาปตาจจนิพยาสกกาปะตาจจนิสกกาโหนตุสเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหีสัมปตังปุญญาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายสีรังราคันตุสัมปดาบวนาภิรตาหุนตุขาชันตุเทวตาคตา ตาเปรพุทธาภรปัตาปเจกานัณจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังพันธามิสัมปะโซขอสัตว์ทั้งปวงที่มีทุกจงไร้ทุกที่มีภัยจงไรไ้ภัยที่มีโศกจงไร้โศกขอเราเทวดาทั้งปวงจงอนุโมทนาบุญสมบัติที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ ด้วยการสวดพระปริศเหล่านี้ให้สาเร็จสมบัติทั้งปวงเถิดขอเทวดาจงให้ทานด้วยศรัทธาจงรักษาศีลอยู่เสมอจงเป็นผู้ยินดีในภาวนาขออัญเชิญเทวดาที่อยู่ในที่นี้กับสถานของตนเทิดข้าพเจ้าขอผูกมนคุ้มครองด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคทรงพระพ า, รานุภาพด้วยเดชของพระปเจพพุทธเจ้า ด้วยเดชของพระอรหันต์ทั้งหลายไว้ทั้งหมดคำว่าผูกมนแปลว่าอะไรอธิบายหน่อยลองอธิบายทีคำว่าผูกม น, น, นกมน็ผูกคำสอนของพระเจ้าไว้ในในกระแสะชีวิตเราทั้งหมดข้าพเจ้าจะผูกศรัทธาไว้ในตนผูกความเพียรไว้ในตนผูกสมาธิผูกสติผูกปัญญาไว้ในตน จะผูกสติปฐานสี่สมปัติฐานสี่อิทิบาทสี่อินทรียห้าพละ 5, งหโพชฌงเจ็เรียมรรคมีวกองแปดไว้ในตนจะผูกพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะไว้ในตนนับตั้งแต่วันนี้เป็นตน้นไปผูกไว้ยังโอนาชื่นใจผูกไวหมดหรือยังนี่เรียกผูกมนกเวลาสวดนี่เราต้องการผูกไว้ในตนผูกไว้เพื่ออะไร เพื่อให้ใจของเรานั้นเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาเดินตามศรัทธาเดินตามศีลเดินตามสติเดินตามสมาธิเดินตามปัญญาไม่ออกจากล่องรอยของสติปัฏฐานสมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พราพโวชงอริยมรรคเลยใช่ไหมวันนี้ข้าพเจ้าสาธยายพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรในใจความของพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรนั้นทรงกล่าวว่าส่วนสุดสองอย่างที่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายไม่ควรเดิน คือการดําเนินชีวิตที่ไปหมกมุ่นในกรารมาสุขในกรารมาคุณทั้งหลายที่เรียกว่ากรารมาสุขาริการุโยคไม่ควรดําเนินไปประการต่อมาคือดําเนินไปตามอัตกิรมาฐานุโยกดําเนินชีวิตไปตามความเหน็ดเหนื่อยด้วยทิฏฐิด้วยโทสะด้วยความเครียดด้วยความวิตกกังวลทั้งหลายทางนี้ก็ไม่ควรดําเนินสัจสตาทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงก็ไม่ควรดําเนินไปอุเฉตทิฏฐิเห็นว่าขาดศูนย์ก็ไม่ควรดําเนินไป กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็ไม่ควรดำเนินไปแม้กายสุจริตที่เป็นไปในวัตตะก็ไม่ควรดำเนินไปแต่ข้าพเจ้าจะดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือสัมมาทิฏฐิสมาสังกประสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวยมมะสมาสติสมาสมาธิสติปัฏฐานสี่สัมปัฏฐานสอิทิบาทีอินทรีห้าพละห้พุทชงเจ็อริยมรรยงแปดศีลสมาธิปัญญา อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาข้าพเจ้าจะเดินตามศีลวิสุท ธ, ธิจิตตวิสุท ธ, ธิทิฏฐิวิสุท ธ, ธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคายาณทัทสนวิสุท ธ, ธิปฏิปทาญาณัทสนวิสุทธิและญาณทัทสนวิสุทธิข้าพเจ้าจะผูกวิสุท ธ, ธิเจไว้ในตนผูกอริยมรรคมีองค์แดไว้ในตนผูกศิ้นสมาธิปัญญาไว้ในตนูก สติประฐานสี่สมประธาน 4, สาน 4, อินทรี่ห้าพละาหพุทชงเจ็อริยมรรคมีวงแปดไว้ในตนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งอนุปาธาปรินิพานพวกไว้อยังท่า น, นที่ข้าพเจ้าสาธยายทั้งหมดนี่แหละมนคือพระธรรมจักรกับประวัตนาสูตรที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนะครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤลกัยาวันแฝวงเมืองพราราณาสีพระองค์ตรงหมุนกองล้อพระธรรมจักรให้ดำเนินไปแล้ว ขอพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรจงฝังแน่นในกระแสชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะโผล่พระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรไว้ในตนเมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสฟังพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรณนะที่ไหนขอให้ข้าพเจ้าได้เห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในเอเรียสัยจธรรมทั้ง4ี่รู้แจ้งทุกโดยการกําหนดรู้ทุกขสมุทยัยโดยการละทุกขนิโรธโ ด, ดยการทําให้แจ้งทุกขานิโรธคามินีปฏิบัติโดยการเจริญโดยการอบรมขอให้ข้าพเจ้าแทงตลอด รอบสอาการ12บสองแทงตลอดในสัจจญานยานในสัจจะทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรกกิจจยานคือรู้ว่าทุกเป็นกิจที่ควรกาหนดรู้สมุทัยเป็นกิจที่ควรละนิโรธเป็นกิจที่ควรทาให้แจ้งมรกเป็นกิจที่ควรเจริญรอบรู้กตายานทุกพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงกําหนดรอบรู้แล้วพระเจ้าก็จะรอบรู้จะทําให้รอบรู้ตามพุทธเจ้าให้ได้ สมุทัยพระองค์ทรงละได้หมดสิ้นแล้วข้าพเจ้าก็จะละสมุทัยตามพุทธเจ้าให้ได้นิโรธพระองค์ทรงทําให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าจะทํานิโรธให้แจ้งตามพุทธเจ้าให้ได้มรรคพระพุทธเจ้าทรงรอบรู้ทรงเจริญได้ครบถ้วนแล้วข้าพเจ้าก็จะเจริญมรรคให้ครบถ้วนตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ข้าพเจ้าจะทํารอบสามอาการ12นี้ให้เกิดขึ้นในตนให้ได้ข้าพเจ้าได้ผูกทวธรรมจัก กระเวัฒนสูตรไว้ในตนเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งอนุปาธาปริณิพนันขอพระธรรมจกกักรกระเพาะวัฒนสูตรที่พระบรมศา ส, สาศดาทรงสแสดงจองคุ้มครองกระแสชีวิตข้าพเจ้าให้หมุนตามมัชฌิมาปฏิปทาจนถึงอนุปาทาปริณิพันด้วยเถิดได้คิดนี้ไหมโอ้ได้คิดอย่างนี้น่าชื่นใจนะนี่ธรรมจกกักรกระเพวัฒนสูตรเนาะ เราได้สาธยายแล้วสาธยายพระธรรมจักรแล้วให้เราตั้งใจสงบระลึกเนี่ยเรามีอัตภาพร่างกายเรามีขันห้าเราก็เอาขันห้าเนี่ยมาบูชาพระพุทธเจ้าโดยการสาธยายพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรเป็นพระสูตรสูตรแรกที่พระองค์ทรงประกาศสัมมาสัมปวิยานันยอดเยี่ยมเราทําให้เป็นไปแล้ว ฉะนั้นในโอกาสต่อไปนี้ข้าพเจ้าก็จะฝึกจิตให้เกิดความสงบให้ตั้งมัน่นแล้วก็จะระลึกให้เกิดความปีติปามโมทโนให้ชื่นใจว่าข้าพเจ้าเด็ดเอาร่างกายนี้ถวายเป็นพุทธบูชาไม่เห็นแก่น เ, เหนื่อยเลยนะเหนื่อยข้าพเจ้ามีปากก็ขอพลานาพระธรรมจั ก, กรบวัตนสูตร บูชาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มีกายก็ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มีใจไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นเลยคิดถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงนี้เท่านั้นแหละข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ขอพระพุทธเจ้าโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งอนุ ป, ปาทานนิพนธ์ ขอพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์คุ้มครองกระแสะชีวิตก้าพระเจ้าให้ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาด้วยเถิดนี่นะให้คิดอย่างนั้นให้ตั้งใจอย่างนั้น